โดยเฉพาะคมภีร์ปริวานแห่งพระวินัยปิฎกชี้ชัดสำทับลงไปทีเดียวว่านิพพานเป็นอนัตตาคือร่วมอยู่ในคําว่าทำทั้งปวงเป็นอนัตตาดังข้อความเป็นคาถาในบาลีว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงสังฆตธรรมทั้งปวงเป็นทุกข์และเป็นอนัตตานิพพานและบัญญัติเป็นอนัตตามินิจฉัยมีอยู่ดังนี้แม้จะถือว่า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 ทั้งนิรัตตังหรือไม่มีทั้งอัตตาทั้งนิรัตตาแปลว่าไม่มีทั้งอัตตาทั้งไม่มีอัตตาคือไม่มีภวะตัณหาที่จะสแสวงหาอัตตาและไม่มีภวะทิฏฐิที่จะยึดมั่นในเรื่องอัตตาให้เกิดเป็นอัตติฏฐิหรืออุเฉททิฏฐิขึ้นอีกนัยยะหนึ่งอธิบายว่าไม่มีทั้งมีอัตตาอยู่ทั้งหมดอัตตาไป